สวัสดีนะคะพี่น้องก่อนที่เราจะรับฟังพวชนะของพระเจ้าที่ฉันอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสที่จะดูวิดีโอคลิปสั้นๆชุดนี้ก่อนขอเชิญค่ะ คุณพระานะคะที่ได้มีการมาร่วมนวัส ก, การกับพี่น้องที่คิดจะคิดจักวัฒนารอบบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเวลาที่ดิฉันได้มีโอากอาส ท, ที่จะเตรียมเทศนาในพระธรรมบทนี้ดิฉันเองรู้สึกอดที่จะใจหายไม่ได้ดิฉันอยากจะขอเริ่มต้นนะคะด้วยการอ่านคำประกาศเพื่อที่จะรำลึกถึงและถวายความอาไรให้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของพวกเราประกาศจากสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพล์อดุญเดชมาิตลาธิเบศรามาธิปดีจักรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบาพิตรสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพล์อดุญเดชมาิตราธิเบศรามาธิบดี จากกีนรุบดินสยามินทลาทิลาชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวนณนะโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามที่สำนักพระราชวังได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวนหาใครไม่ได้ซุดหนักลงตามลาดับ ถึงวันพุหั ส, ส ป, ปดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15นาฬิกา52นาทีสเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิดิลาชด้วยพระอาการสงบสิริพระชนพรรษาปีที่89ทรงของราชสมบัติได้70ปีสำนักพระราชวัง13ตุลาคมพุทธศักราช2559พี่น้องคะ ในหลวงราชการที่9ของเรานะครับทรงเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินเป็นทั้งพระเจ้าอยู่หัวและก็เป็นเจ้าชีวิตด้วยเมื่อเลาที่เราพูดถึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นหมายถึงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำที่มีสิทธิขาดในกิจการของแผ่นดินและเมื่อเราเรียกพระองค์ท่านว่าพระเจ้าอยู่หัวหมายความว่าเรากาลังแสดงความเคารพเทิดทูนพระองค์ท่านอย่างสูงสุด และเมื่อเราเรียกพระองค์ว่าทรงเป็นเจ้าชีวิตไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าชีวิตที่ชี้เป็นชี้ตายแต่หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าชีวิตที่ทรงพระราชทานนะครับแนวคิดโครงการต่างๆให้กับประชาชนโดยไม่ได้ทรงพระราชชันาทเนี่ยล่วงเลยเกินขอบเขตแห่งนิติธรรมพี่น้องคะขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้เกิดเป็นคนไทย เราเป็นผสบนิกร น, นะคะภายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มีโอกาสที่จะคร่ำควรวญอีก๔วันเท่านั้นถึงวันพุทธหั ส, สปดีที่26ตะละุลาคมนี้ก็จะเป็นพิธีจริงคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระองค์ท่านบ่ายวันนี้ดิฉันยึงอยากจะนําเราทั้งหลายนะคะให้ได้มีโอกาสที่จะรําลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน พันพะวิชาของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่72ที่เราได้อ่านกันไปซึ่งเป็นบทที่กษัตริย์ดาวิดนะคะได้ประพันธ์ขึ้นให้กับพระราชโอรสคือกษัตริย์โซโลมอนนั่นเองและจากเนื้อหาของพระธรรมสดุดีที่พวกเราได้อ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะทําให้เราได้ราลึกถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่9้าด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพระองค์ท่านได้ทรงกระทําการหลายอย่าง เป็นดั่งที่พระธรรมสะดุดีได้กล่าวไว้คำเทศนาในวันนี้นะคะจึงเป็นการลํำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างพระนามของพระองค์นะคะคือภูมิพลแปลว่ากำลังของแผ่นดินครั้งหนึ่งนะคะสมเด็จพระสีนคนรินบรมราชชนนีนะคะเคยมีรับสั่งนะคะกับพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภมิพลอดุลยเดชว่า อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพลที่แปลว่ากำลังของแผ่นดินแม่อยากให้เธออยู่กับดินในหลวงในรัชกาลที่9นะคะผู้ทงท่านเองรับสั่งว่ามู้ฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิดซึ่งแม่ก็คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน พี่น้องคะพระองค์ท่านนะคะทรงเข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันศุกร์ที่ห้าพฤษภาคมนะคะพศ2 4 9พรพระองค์ทรงปฏิญาณว่าเราจะคองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำที่พระองค์ทรงปฏิญาณนั้นนะคเหมือนกับในสดุดีบทที่72ิกล่าวไว้เช่นเดียวกัน ในสไลด์ต่อไปนะคะเราจะได้พบกับแบบอย่างแรกของพลงทันนั่นคือแบบอย่างแห่งความชอบธรรมและคุณธรรมอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่72ข้อที่1และข้อที่สองที่ฉันจะไม่จะขออนุญาตไม่อ่านพาวจนะของไม่อ่านพระคัมภีนะคะจะจะฉายอยู่ในสไลด์พี่น้องคะความยุติธรรมความชอบธรรมของพระมหากษัตริย์เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ประเทศใ ด, ดก็ตามในฐานะผู้นําประเทศ คุณสมบัติสูงสุดนะครับของผู้นำก็คือต้องทำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมและความยุติธรรมและนี่เป็นคุณธรรมหลักที่ใช้ในการปกครองประเทศเราเพบว่าในหลวงในราัชากาลที่9้าของเราทั้งหลายนะคะผู้ลงทรงเป็นพ่อของแผ่นดินผู้ครองแผ่นดินโดยทาอย่างแท้จริงนะคบการปกครองของพระองค์นะคะได้ชื่อว่าทศพิต ร, ราชธรรม เรียกง่ายๆก็คือคุณธรรม10ประการสำหรับกษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยนะคะประการแรกคุณธรรมแรกทานทานคือการให้ทานคือการเสียสละนอกจากเสียสละทรัพย์สินของแล้วนะครับยังหมายถึงการมีน้ำใจให้แก่ผู้อื่นด้วยพี่น้องครมีสมาชิกคิทจักแห่งหนึ่งคนนี้เป็นผู้ชายนะเขาแข็งแรงดีแต่เขาไม่มีงานทา วันหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้เขียนจดหมายไปถึงในหลวงรัชกาลที่9พวกเราเองนะคะที่เป็นรุ่นน้องๆ น, นะคะพวกเราทราบก็ตกใจน ะ, ะว่าทําไมพี่ถึงกล้าเขียนจดหมายไปถึงพระองค์ท่านแต่พวกเราทราบเลคะสิ่งที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นนะ ก, ก็คือว่าพระองค์ท่านทรงตอบจดหมายพี่คนนี้ด้วย และยังส่งข้าราชสํานักนะครับคนหนึ่งนะครับมาที่บ้านของพี่คนนี้พี่คนนี้บ้านอยู่ที่แฟลตดินแดงแล้วก็ข้าราชสํานักคนนี้นะคะก็ได้ทําการสอบถามถึงความจําเป็นนะคะเพื่อที่จะตอบสนองสิ่งที่เขาร้องขอไม่น่าเชื่อนะคะว่าพระองค์ท่านนี่นะครับไม่ว่าพระองค์จะตอบจดหมายนั่นเองหรือว่าพระองค์จะมีทีมงานช่วยตอบจดหมายก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้ตระหนักก็คือว่าพระองค์ทรงเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่อยู่สูงส่งมากนะครับแต่พระองค์ยังทรงคิดถึงคนธรรมดาธรรมดาสามัญที่ไม่รู้จักเลยนะครับที่เขียนจดหมายไปหาพระองค์คุณธรรมประการที่สองศีล สิ้นหมายถึงความประพฤติ ท, ที่ดีงามทั้งกายวาจาใจให้ปราศจากโทษทั้งในการปกครองอันได้แก่กฎหมายและนิติราชประเพณีและในทางศาสนาคุณธรรมที่3การบริจาคบริจาคคือการเสียสละความสุขส่วนพลงเพื่อความสุขส่วนรวมเรื่องนี้เราจะพบเห็นกันบ่อยครั้งทีเดียวโดยเฉพาะที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องเวลาที่น้ำท่วม ทุกครั้งที่น้าท่วมนะคะเราจะเห็นผู้ลงท่านนะคะับริจาครัพย์สิ่งของแล้วก็ให้หน่วยแพทย์เนี่ยนะคะออกไปช่วยเหลือประชาชนผู้ลงท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำของการให้ทำให้พวกเราเองทั้งหลายที่เป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นประชาชนระดับไหนก็ตามก็ต้องออกมาร่วมบริจาค ก, กับพระองค์รู้จักที่จะให้คนที่เดือดร้อนทุกยากด้วยเช่นเดียวกัน คุณธรรมที่4ี่นะคะคือความซื่อตรงความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครองดำรงอยู่ในความสัตว์สุจริตพี่น้องคะในหลวงรัชาการที่9้าของเรานะคะผู้ลงทรงเป็นนักกีฬาด้วยบ่อยครั้งนะคบในการแข่งขันกีฬานะคบถึงแม้พร้ลงจะไม่ชนะนะคบแต่พร้ลงกลับมีเรื่องราวดีๆให้เราทั้งหลายได้ปรับปลื้มใจครั้งหนึ่งนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙นะคะพระองค์ท่านทรงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแข่งเรือใบเมื่อสัญญาณดังขึ้นนะคะพระองค์แล้วก็นักกีฬาทุกคนนะครับก็แล่นเรือใบออกไปสู่ทะเลกว้างใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับปรากฏว่าพระองค์ทรงหันลำเรือใบของพระองค์นะครับกลับเข้ามาที่ในฝั่งเหตุผลก็คือขณะที่เรือของพระองค์นะครับ แล่นออกไปเนี่ยพร้อมกับนักกีฬาคนอื่นเนี่ยเรือของพระงไปโดนทุ่นกลางทะเลเข้าโดยบังเอิญซึ่งนั่นเป็นการผิดกติกาถึงแม้ว่านเวลานั้นนะคะไม่มีใครเห็นว่าเรือของพระองไปชนทุ่นนะคะมีแต่พระองเองคนเดียวเท่านั้นที่ทราบนะคะแต่แทนที่พระงจะแล่นเรือต่อไปนะคะเข้าสู่การแข่งขันต่อไปพระงกลับหันลําเรือเข้าฝั่งนี่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ อันเป็นพลลักษณะประจำตัวของพระองค์ท่านคุณธรรมประการที่5นะคะความอ่อนโยนอ่อนโยนคืออัธยาิยสายอ่อนโยนเคารพในเหตุผลที่ควรมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกันและต่ํากว่าดิฉันมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะเมื่อไม่นานนะักประมาณปีเศษเศษก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคต คริสเนไทยกลุ่มหนึ่งะคะมีการจัดการประชุมระดับโลกที่กรุงเทพในการเตรียมการจัดงานนั้นก็จะมีคณะกรรมการจากทั่วโลกเลยนะครับต่างประเทศเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อประชุมก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับมาจากประเทศสิงคโปร์ท่านมาประชุมในงานนี้ด้วยและเมื่อประชุมเสร็จท่านก็ต้องเดินทางกลับไปที่สนามบินในระหว่างทางที่ไปสนามบินนั่นเองนะคะ บ, บนรถแท็กซี่อาจารย์ท่านนี้ก็ได้ยินเสียงเพลง king of kings พวกเราเคยได้ยินไหมคะมีศิลปินท่านหนึ่งนะค ะ, ะประพันธ์เพลงนี้นะครับถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะอาจารย์ท่านนี้ฟังเพลงนี้ในรถแล้วนะครับท่านไม่ชอบเลยโดยเฉพาะท่อนซ้อยนะที่ร้องซ้ำว่า king of kings แปลว่าราชาเหนือราชาทั้งปวงท่านรู้สึกว่ามีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะเป็น king of kings หรือราชาเหนือราชาทั้งปวงได้นั่นคือพระเจ้า พี่น้องลองเดาสิคะว่าอาจารย์ท่านนี้เขาทำยังไงหลายคนเดาถูกนะคะอาจารย์ท่านนี้ก็เขียนจดหมายไปถึงในหลวงราชการที่เก้าของเราเลยค่ะท่านกล้ามากนะคะท่านบอกกับนะพระองว่าท่านเองฟังเพลงนี้แล้วไม่สบายใจเลยเพราะในความเชื่อของคริสเตียนตาแหน่งนี้มีให้กับพระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดเลิกใช้เพลงนี้เถอะครับพวกเราลองเดาตอบไหมคะว่าอะไรเกิดขึ้น พระองค์ท่านทรงตอบจดหมายอาจารย์คนนี้ด้วยค่ะแต่ว่าเนื้อความในจดหมายนะครับสั้นง่ายเรียบถ้อยคํานั้นอ่อนโยนพระองค์ท่านไม่ได้ตําหนินะครับไม่ได้เอาความใดๆกับอาจารย์ท่านนี้นะคะที่กล้าเขียนจดหมายไปหาพระองค์ท่านแบบนั้นจดหมายที่ตอบกลับนะครับตอบกลับด้วยถ้อยคําสั้นๆง่ายๆว่าเราไม่ได้เป็นคนแต่งเพลงนี้ให้กับตัวเองศิลปินที่แต่งเพลงนี้เขาแต่ง ก็พวกเขารักเราสําหรับดิฉันนะได้ฟังเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหอาจารย์คนนี้คงจะไม่รู้จักคําภาษาไทยสํานวนที่ว่าที่ต่ําที่สูงเพราะท่านไม่ใช่คนไทยและท่านไม่ได้มาจากประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกะ น, นั้นเราพบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9้าของเรานะคะพระองท่านทรงมีพระราชอัจฉริยที่อ่อนโยน ไม่ถือโปรงเลยนะครับทรงตอบกลับด้วยความสุภาพมากๆเลยทีเดียวคุณธรรมประการที่6นะคะความเพียรความเพียรคือการมีความอุตสาหะในการปฏิบัติงานโดยปราศจากความเกียจคานพี่น้องคะเรียนชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่เราเห็นโรงท่านเนี่ยสงประธาน ปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาใช่ไหมคะมีใครไม่เคยเห็นไหมคะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะในหนังสือเยนศิระ พ, พระเพราะพระบริบาลเขียนโดยคุณลัดดาซุบซิบนะคะคุณลัดดาซุปซิบเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี2493ถึงปี2529นะครับผูลงท่านนะครับได้ทรงประทาน ปริญญาบัตรนี่นะครับให้กับบัณฑิต490ครั้งบางครั้งนานสิบวันวัน ล, ละสามชั่วโมงส่งยื่นพระหัตถ์นะครับของพวงทั้งหมด 9,040,000 ครั้งหากใบปริญญานั้นหนักสามขีดต่อใบน้ำหนักรวมก็จะเท่ากับ141ตันพี่ น, อน้องคระ คำถามคือทำไมพระองค์ต้องทำให้พระวรกายของพระองค์เนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยลงมาประทานปิญญาบัตรให้กับบัณฑิตคำตอบก็คือเพราะว่าพระองค์ท่านทรงถือว่าบัณฑิตเนี่ยทรงให้เกียรติกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเนี่ยทรงให้เกียรติเท่าเทียมกับการที่พระองค์ทรงให้เกียรติแก่ผู้ที่ทำคุ ณ, ณประโยชน์ และได้รับเครื่องราชาอิสริยาภรณ์นะครับชั้นสายสะพายดังนั้นพระองค์เองจึงยินดีที่จะเป็นคนพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยให้กับบัณฑิตมือต่อมือจับกระดาษ ท, ที่เดียวกันพระองค์นะครับประธานปริญญาบัตรทั้งหมดนะตั้งแต่ปี2493ถึง2540เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีนั่นคือความเพียร คุณธรรมประการที่7นะคะความไม่โกรธความไม่โกรธคือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏไม่มุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์อันนี้เราสามารถเห็นได้เลยนะคะอย่างตัวอย่างง่ายๆที่เมื่อกี้ดิฉันเพิ่งเล่าไปถึงอาจารย์ชาวสิงคโปร์คนนั้นนะคะพระองค์ท่านนี้น่าจะโกรธนะคบดิฉันเองยังรู้สึกโกรธแท้เลยนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะค่อนข้างจะลบหลู่เลยนะคบ แต่ว่าพระองค์ท่านไม่ได้พิโรธเลยนะคะคุณเคยทำประการที่8ความไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนหรือบีบคัน้นไม่ก่อทุกข์หรือบีดเบียนผู้อื่นเรื่องนี้นะคะนอกจากประชาชนคนไทยนะครับจะไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเบียดเบียนประชาชนแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยจะมีแต่ว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือทรงรักและทรงห่วงใยประชาชนทุกคน รวมทั้งยังเป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนาทุกาศาสนาในประเทศไทยด้วยมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งผู้เรารู้จักศูนย์นักศึกษาพยาไทยบับตีสที่ศรีแยกพยาไทยไหมคะรู้จักดีเลยนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี1961มีคณะมิชชันนลีนะคะเป็นกลุ่มนักศึกษาประมาณ20คนเขาเนี่ยตั้งใจทำงานมิชชัน ในช่วงภาคฤดูร้ อ, อนซัมเมอร์เนี่ยนะคะโดยการรวมตัวกันเป็นนักร้องประสานเสียงแล้วก็เดินทางไปยังฮาวายไปญี่ปุ่นไปฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มาประเทศไทยด้วยเมื่อกลุ่มนี้นะคะนักศึกษากลุ่มนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยนะคบปรากฏว่าพร่งท่านนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ที่เกแล้วก็องราชินีนะคะได้เชิญคณะนักร้องกลุ่มนี้นะคะเข้าไป ร่วมขับร้องเพลงในพระราชวังนี้นะครับให้กับพระราชวงศ์เนี่ยกว่า200พระองค์และพระองค์ท่านนะครับทรงบรรเลงปินโน่และกลุ่มคณะนักร้องนี้นะครับเขาก็ร้องเพลงนะครับซึ่งเป็นที่พอพระทัยพระองค์ท่านอย่างมากปรากฏว่าอีกสองสาปีต่อมานะคะคณะแบปติสเซาท์เทิร์นแบปติสนะครับในประเทศไทยคณะนี้นะคะมีความต้องการที่จะหาซื้อที่ดินที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพ และคณะนี้นะครับเขาก็มองเห็นที่ดินร้างเปล่าที่สี่แยกพญาไทจึงได้พยายามติดต่อปรากฏว่าที่ดินผืนนี้เป็นทรัพย์ส่วนพรงไม่ขายคณะนี้นะคะคณะแบปติสก็ได้ทำการนะฮะติดต่อเข้าไปนะคะเพื่อจะขอซื้อที่ดินนี้ปรากฏว่าพระองค์ท่านทรงทราบพระองค์ท่านถามว่า ใช่คณะแบปติสต์คณะเดียวกันกับเมื่อสองสมปีที่แล้วที่มาร้องเพลงให้ฟังไหมเมื่อได้รับคำตอบว่าใช่พูุลงท่านบอกว่าถ้าใช่ขายให้พวกเขาไปแล้วก็ที่ดินผืนนี้นะคบถูกซื้อมาด้วยราคา 60,000 เหรียญ u s ดอลลาร์ปัจจุบันบ s c นะคบหรือว่าศูนย์นักศกษาพระยายไทยแบปติสต์ได้เป็นประโยชน์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากมายมาเกือบจะ60ปีแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช้นะคะให้กลุ่มนักศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงในเวลานั้นนะคะได้เชื่อมต่อทำให้เรามีศูนย์นักศึกษาพยาไทยแบทเสิลที่เป็นพ่อพรกับนักเรียนและนักศึกษาไทยเป็นจำนวนมากคุณธรรมประการที่9ความอดทน คือการมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวงนะครับทรงรักษาอาการกายวาจาใจให้เรียบร้อยและสุดท้ายความยุติธรรมคือความหนักแน่นถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลักไม่เอ็นเอียงวันไหวด้วยคำพูดอารมณ์หรือโลภสักการะใดๆขอโทษหรือลาบสักการะใดๆ พี่น้องคะในทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเราคิดว่ามีข้อไหนที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชของเราไม่ได้ทรงปฏิบัติบ้างคำตอบคือไม่มีพระองค์ท่านทรงปฏิบัติทุกข้อนะคะทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ผู้ที่เป็นตัวอย่างของการปกครองที่ชอบธรรมและทรงด้วยคุณธรรมตามทศพิราชธรรมหรือคุณธรรมสิประการของกษัตริย์นั่นเอง สไลด์ต่อไปนะคะคือแบบอย่างที่สองพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างของความรักและความเมตตาเราสามารถที่จะอ่านได้ในพระธรรมสดุดีบทที่72ข้อที่สถึงข้อที่9พี่น้องคะหนึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งที่เกิดมาจะสามารถทําอะไรได้บ้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงพระราชกําเนิด โครงการในพระราชดำริตั้งแต่ปีพศ2506จนถึงปีพศ2554มากกว่า 4,000 โครงการตัวอย่างของชื่อโครงการเหล่านี้นะคะที่ดิฉันจะเอ่ยต่อไปเป็นชื่อที่พวกเราคุ้นเคยกันดีในสไลด์นี้นะครับเราจะเห็นนี่เป็นโครงการแกล้งดินแกล้งดินก็คือว่าเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหา เปลี่ยนดินเปรี้ยวให้กลายเป็นดินดีโดยวิธีการล้างความเป็นกรดของดินนะคะแล้วก็เติมในตัวเช่นกับฟอสเฟตลงไปนะครับวิธีนี้นะคะก็จะเปลี่ยนดินที่เสื่อมโทมให้กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ในสไลด์ถัดไปนะครับบนสุดนะคบภาพบนจะเป็นโครงการปลูกหญ้าแฝก พระองค์ทรงนําญ้านะครับที่ดูเหมือนจะไร้ค่านี้นะครับหญ้าแฝกมาแก้ไขปัญหาดินและน้ําเป็นการป้องกันการพังทลายของดินพระองค์ทรงค้นพบว่านะครับหญ้าแฝกนี่มีคุณสมบัติที่พิเศษมากมันสามารถทําให้ดินที่แห้งแข็งเป็นหินนี้นะครับคืนสภาพกลับเป็นดินดีได้ดังเดิมเพราะว่าเมื่อปลูกหญ้าแฝกนะครับหญ้าแฝกนี่มันจะมีรากที่สามารถ มีอำนาจทะลุทะลวงนะคะยั่งลงไปได้เนี่ยเจถึงเมตรแล้วมันหญ้าแฝดเนี่ยมันจึงช่วยยึดดินไว้ด้วยกันนะคะให้มั่นคงและสามารถอุ้มน้ำไว้ได้ด้วยครั้งหนึ่งนะคะในพิธีพระรา ช, าราชาทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในปี2540ผู้ลงตัดกับบัณฑิตว่าคุณเราก็เช่นเดียวกัน มีทั้งบุคคลที่มีชีวิตอยู่โดยปล่าประโยชน์และบุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าพระองค์กำลังเปรียบยแฝกที่ดูเหมือนไม่มีค่าแต่มันทำตัวมันให้เป็นประโยชน์ได้พี่น้องข้าเราทั้งหลายทุกคนเราจะอยู่อย่างเปลาประโยชน์หรือเราจะอยู่อย่างมีคุณค่าแล้วก็ในภาพล่างนะครับเราจะพบว่าเป็นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อรักษาราสฎรในถิ่นทุรกันดาร น, นะครับโดยไม่คิดเงินฟรีโครงการนี้นะคบพี่น้องคิดจากหลายแห่งนำเอามาเป็นต้นแบบในการที่จะนำะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับไปยังชุมชนที่อยู่ใกล้ๆซึ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการที่เราจะเข้าถึงชุมชนช่วยเหลือชุมชนและช่วยในสิ่งที่เขาต้องการและฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย สไลด์ต่อไปนะครับเราจะเห็นภาพบนนะฮะจะเป็นโครงการเกี่ยวกับด้านการศึกษาเช่นพระองค์ทรงมีพระราชดำรดิให้จัดทำสารานุกรมสำหรับเยาวชนและทรงประธานทุนการศึกษานะครับทุนมูลนิธิอ น, นันธรรมหิดลให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสแต่สามารถเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไปได้และเราจะเห็นนะครับในภาพล่างนะคบเป็นภาพรวมเราจะเห็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการสอนให้เราเนี่ยได้พึ่งพาตัวเองไม่ยึดโดยยึดทางสายกลางแล้วก็เป็นแนวทางที่ทำให้เราเนี่ยพอมีพอกินพ อ, อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เดือดร้อนใครพระองค์ท่านทรงสอนให้เรารู้จักประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวมีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณตนตามฐานะไม่หลงไปกับวัตถุนิยมไม่โลภและไม่เบียดเบียนใคร พระองค์ทรงแนะนำนะครับให้เกษตรกรใช้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยให้เกิดประโยชน์ 30% แรกใช้ปลูกข้าว 30% ถัดมาใช้ปลูกพืชผักผลไม้ต้นไม้อีก 30% ให้ขุดสระเก็บน้ำและอีก 10% เนะครับสร้างเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์พี่น้องครับพระองท่านเนี่ยทรงแนะนำแนวคิดเศรษฐกิจเพื่อพอเพียงเนี่ยทำไม ก็พบพะรงทรงตระหนักว่าะสมนิกรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกษตรกรหรือเป็นชาวบ้านที่มีชีวิตเนี่ยอยู่กับธรรมชาติโอกาสที่เกษตรกรที่ยากจนนี่นะครับจะไปพึ่งพาเทคโนโลยีหรือว่าจะไปหาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยนะครับราคาแพงในการประกอบอาชีพนั้นเป็นเรื่องยากแนวคิดนี้นะครับจึงส่งเสริมให้คนรู้จักดารงชีวิตตามหลักธรรมชาตินั่นเอง นอกจอากนี้ยังมีโครงการส่วนพระองค์นะครับสวนจิดระดาซึ่งหลายคนก็รู้จักดีนะครับเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางเกษตรนะครับส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยปลูกฝิ่นเป็นพันพันไร่เลยนะครับทางขอบชายแดนด้านบนของประเทศไทยเปลี่ยนพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นปลูกผักพืชผลไม้นับเป็นการให้ประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนอย่างแท้จริง ก็นำมาซึ่งอาชีพและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนแลยในบรรดาโครงการทั้งหมด 4,000 กว่าโครงการ 40% ของโครงการทั้งหมดเป็นโครงการที่เกี่ยวกับน้ําเราจึงได้ยินชื่อโครงการเช่นโครงการฝนหลวงเพื่อช่วยพื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ําโครงการกังหันน้ําใช้พัฒนาเราเห็นรูปกังหันน้ําใช่ไหมครอันนี้เป็นต้นแบบนะคะ เป็นต้นแบบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการเติมอากาศนอกจากนี้เราก็ได้ยินโครงการแก้มลิงโดยเฉพาะช่วงนี้น้ําท่วมมากเลยนะคะโครงการแก้มลิงก็เป็นโครงการที่คิดขึ้นเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านห่วงใหญ่มากพวกเราจําได้ไหมคะในปีส5งห้าห้าท่วมหนักท่วมทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพด้วยในครั้งนั้นนะคะพระองค์ทรงพระชนมายุทธ์ครบ 84พรรษาพระองค์ทรงพระประชวรค่ะไม่สามารถทํางานตรากตําได้อีกต่อไปแล้วก็ในขณะนั้นนะครับแม้พระองค์จะประทับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับพระองค์ก็ยังทรงห่วงใยประชาชนที่น้ําท่วมนะครับพระไทยของพระองค์อยู่กับประชาชนเสมอพระองค์ทรงรับสั่งนะครับให้ห่วงใยประชาชนพระองค์ตัดว่าน้ําท่วม ก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่อยากให้มีอะไรเป็นพิเศษหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าพระองค์กำลังจะบอกว่าไม่ต้องทําอะไรพิเศษในการดูแลเขตเพระราชฐานของพระองค์พี่น้องคะคำตัดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เป็นการตอกย้ําว่าทําไมคนไทยทุกคนจึงรักในหลวงรัชกาลที่เก้ามากเราทั้งหลายตระหนักดีว่าพระองค์นะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน และทรงเข้าใจในความทุกข์ยากของประชาชนและหากทําได้พระองค์จะทรงร่วมทุกข์กับประชาชนด้วยสไลด์ต่อไปเป็นแบบอย่างที่สแบบอย่างสุดท้ายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างนะครับของผู้นําที่มีชีวิตเป็นต้นแบบอยู่ในพระธรรมสรุตติปิบุที่72ข้อที่1 0บถึงสิพี่น้องคะจากพระราชกรณียกิจมากมาย ที่เราทั้งหลายได้เห็นตั้งแต่เล็กจนโตเราได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรากายอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอดการครองสิริราชสมบัตินะคะพระองค์ทรงไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาทุกข์พระองค์ทรงสร้างชีวิตนะครับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับราษฎรและยังสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับประชาชนให้กับคนอีกหลายอาชีพ ได้เจริญลอยตามแบบอย่างที่ดีงามของพงศ์พี่น้องเขาพงศ์ทรงเป็นต้นแบบให้กับคนมากมายหลายอาชีพพรงศ์ทรงเป็นทั้งนักดนตรีนะครับพงศ์ทรงเล่นทั้งเปียโนโแล้วก็เป่าแซกโซโฟนทรงประพันธ์พระราชนิพนธ์นะครับบุเพลงต่างๆมากมายถึง49เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงสายฝนที่โด่งดังแล้วก็อีกหลายหลายเพลงจนกระทั่งมหาวิทยาลัยนอส เท็กซัสแห่งสหรัฐอเมริกานะครับได้ทุนก้าถวายปริญญาเอกด้านดนตรีให้กับพระองค์นะครับในปี258แล้วเราพบว่าศิลปินไทยมากมายหลายคนนะครับก็ประพันธ์เพลงขึ้นนะคะก็จากการที่ได้ชื่นชมในสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนคนไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักกีฬาด้วยนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ และพระองค์เคยคว้าแชมป์เหรียญทองในกีฬาแหลมทองครั้งที่4ี่นะปัจจุบันก็คือกีฬาซีเกมส์นั่นเองและพระองค์ยังมีผลงานจิตกรรมวรรณกรรมมากมายนะครับหลายท่านอาจจะได้เลือกอ่านเรื่องพระมหาชนกนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราจะพบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชของเรานะครับพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับกษัตริย์ผู้นําของประเทศอื่นๆด้วย ในคราวที่พระองค์ท่านนะครับทรงครองราชครบ60สปีครั้งนั้นนะคะเราจะเห็นว่าในสไลด์ต่อไปนะคะภาพล่างเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์นะครับจากแดนไกลหลายประเทศทีเดียวนะครับได้เสด็จมาร่วมแสดงความยินดีกับพระองค์ท่านด้วยในสไลด์ถัดไปนะครับภาพล่างเลยเห็นไหมคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับภาพคนในภาพนะคะ ในภาพนี้นะคะเราจะเห็นผู้นําคิเตชนที่เป็นตัวแทนนะคะทั้งของฝ่ายโปรเตสแตนต์ของแคาทอลิกอิสลามจากสภาคิดจากสากลในเวลานั้นนะคะได้มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีของพระองค์นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผู้นําของเราก็ได้มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าพระองค์นะครับภาพนี้นะครับดิฉนขออนุญาตนํามาให้เราดูนะเพราะว่าขณะที่กลุ่มผู้นําของเรากําลังวุ่นอยู่ว่าจะยืนกันตรงไหนดีย้ายไปย้ายมานะครับ ก็ได้เวลาที่พระองค์ท่านนะครับต้องเสด็จออกมาที่เฉลียงด้านนอกนะคะกลุ่มผู้นํากลุ่มนี้ได้ยืนอยู่แถวหน้าสุดเลยนะคะก็นับว่าเป็นความปลื้มปิติยินดีนะฮะที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดขณะนั้นพี่น้องคะนอกจากว่าพระองค์ท่านจะทรงเป็นต้นแบบของหลายๆคนหลายๆอาชีพสไลด์ภาพนี้นะคะภาพถัดมาเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของคนที่เป็นพ่อด้วย ในการทำพระราชกรณียกิจนะครับพระองค์จะทรงพาพระโอรสพระธิดานี่นะครับเสด็จตามด้วยเสมอครั้งหนึ่งนะครับน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554เมื่อกี้ที่กล่าวไปถึงบ้างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์นะคะอัครราชกุมารีมีพระดำรัสว่าในหลวงทรงห่วงใหญ่ประชาชนมากทอดพระเนตรข่าวน้ำท่วมเป็นเวลา5ชั่วโมงเต็มๆจนเครียด และทรงถายออกมาเป็นเลือดจำนวนมากความดันพาโลหิตตกต้องพาเข้าห้องฉุกเฉินแต่ตอนนี้กลับสู่ภาวะอาการปกติแล้วข้าพเจ้าเห็นแล้วใจไม่ดีไม่อยากพูดในฐานะลูกแต่อยากพูดในฐานะของคนที่ดูแลท่านมาตลอดทรงรักประชาชนทรงห่วงทุกสุขของประชาชนจึงทำให้ออกมาในอาการป่วยดังกล่าวการที่ข้าพเจ้ามีพ่อแม่แบบนี้ สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักรับใช้ประชาชนทุกอย่างมันอยู่ในสายเลือดถ้าถามว่าเหนื่อยไหมไม่เลยคนเราถ้าเล่นละครเป็นฉากๆจะเหนื่อยมากแต่ถ้าทำด้วยใจไม่เหนื่อยเลยนอกจากนี้นะครับเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรณ์ัยลักษณ์ยังตรัสอีกว่าข้าพเจ้าเข้าใจคนที่น้าที่ลำบากน้ำท่วมบัานข้าพเจ้าก็น้ำท่วม แต่ยังคิดว่ามีแรงเหลือมาช่วยพี่น้องประชาชนส่งหน่วยแพทย์ดูแลสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ปั๊มน้ําออกจากบ้านเพื่อให้บ้านน้ําแห้งข้าพเจ้ายอมจมน้ําเหมือนประชาชนทุกคนและเราจะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนี้ไปด้วยกันพี่น้องครับพรุ่งท่านทรงเป็นพ่อที่เป็นแบบอย่างเราทั้งหลายที่เป็นคนไทย ก็เปรียบเหมือนลูกของพระองค์ดังนั้นเองเราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตของเราตามรอยแบบอย่างที่ดีของพระองค์ท่านเข้าใจชุมชนรักชุมชนช่วยเหลือชุมชนเพื่อที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งนี่เองก็เป็นแนวทางที่องค์พระเยซูคริสต์ก็ทรงสอนเราทั้งหลายให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ในคราวที่พระองค์นะครับทรงพระชนมายุครบ7 2 3พาคิตชนไทยได้มีโอกาสทำแผ่นซีดีนะครับพระคัมภีร์พระธรรมสดุดีบทที่72ที่เราได้อ่านกันไปแล้วนี่แหละค่ะเราได้ถวายซีดีพระคัมภีร์สดุดีบทที่72นะครับโดยที่ฐานของซีดีนี้นะครับทำด้วยทองคำหนัก72บบาทและมอบถวายแด่พระองค์ท่าน เพื่อเป็นการขอบพระคุณและเทิดพระเกียรตินะครับในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของประสบนิกรชาวไทยพี่น้องคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในแผ่นดินไทยเราแต่ละคนจะได้รับประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านโครงการกว่า4ี่พันโครงการของพระองค์ท่านอย่างแน่นอน ดันั้นขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่เราได้เห็นถึงพระมาหากษัตริย์ที่ทรงครองราชด้วยทศพิธรราชธรรมเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่เราเกิดเป็นคริสเตียนไทยพระเจ้าทรงเรียกเรานะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจการปกครองของพระเจ้าในแผ่นดินในอาณาจักรของพระองค์ทั้งในโลกนี้และบนสวรรค์เราจึงเข้าใจได้ดีกว่าคนต่างชาติคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคนไทย เราเข้าใจได้ดีกว่าคนชาติอื่นที่ไม่มีระบบมหากษัตริย์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะขอบคุณพระเจ้าที่เราเกิดมาเป็นคนไทยและขณะเดียวกันเราได้รับพระคุณของพระเจ้าได้บังเกิดหมาได้เป็นคิดเส้นไทยเข้าใจการปกครองของพระเจ้าเป็นประชากรของพระองค์ในขณะที่เราทั้งหลายนะครับขอบคุณพระเจ้า เราก็จะรำลึกถึงสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ทรงกระทาบนแผ่นดินไทยนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราเป็นพระศกนิกรชาวไทยสุดท้ายนี้นะครับดิฉันอยากจะขอเชิญพวกเรานะครับชมภา พ, พ ย, ายนตร์สั้นประมาณ12นาทีก่อนที่เราจะร่วมถวายความอาลัยให้กับพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ภายนต์สั้นชุดนี้นะครับมีความยาวประมาณ12นาทีจัดทําโดยนะครับด็อเอร์เจนชานรงค์ที่เป็นนักเรียนทุนมูลนิธิอนันทมหิดลด้วยหนังเรื่องนี้ชื่อว่าโรซานวันนี้มีเรื่องเล่าขอเชิญชมกัน ดนฉันอยากจะขอเชิญที่ประชุมเยืยนขึ้นนะคะเราจะใช้เวลานี้ในการที่จะเยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีน้อมลำลึกถึงพระองค์ท่าน สาธุการค่าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ท่านที่พระองค์เจ้าทรงโปรดประทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่๙ให้กับครอบครัวน้องลายที่เป็นประสบนิกรชาวไทยพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างของการรักและช่วยเหลือชุมชนทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์เป็นแบบอย่างของผู้นําที่เป็นต้นแบบสอนครอบครน้องลายให้รู้ว่า ชีวิตของคนหนึ่งคนจะสามารถทำประโยชน์มากมายมหาศาลให้กับแผ่นดินได้มากเพียงใดอุคแต่พระวิดาเจ้าข้าขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเทลงมาเหนือประเทศไทยและประชาชนชาวไทยให้มีแต่ความสงบและสันติสุขตลอดไปขบุนทั้งหลายอธิษฐานทูลต่อพระลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า a m e ก็จะนั่งกัน